และแม้ปรารถนาจะเสเวยผลดีแห่งกรรมดีนั้นสืบต่อไปในอนาคตทั้งในอนาคตของปัจจุบันาชาติและทั้งในอนาคตของภพชาติเบื้องหน้าที่พ้นจากภพชาติปัจจุบันไปแล้วก็พึงตั้งใจประกอบกรรมดีอันเป็นเหตุดีต่อไปให้มั่นคงสม่ำเสมอผลของกรรมดีที่ได้กระทากันมาที่เป็นความกุ้นเคยกันมาถ้าแม้จะสงวนรักษาไว้ให้สืบต่อกันนานแสนนานต่อไป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 กรรมดีเท่านั้นที่เป็นแรงพาเราวิ่งหนีกรรมไม่ดีที่กำลังส่งผลติดตามเราอยู่ในขณะนี้เปรียบกรรมไม่ดีดังมือมารที่ใหญ่โตโมโหรานท่งพลังมากมายมือนั้นกำลังเอื้อมมาจะตะปบเราเพื่อลากเกาไปกระยี้ให้แหลกเลวบุดวิจะจับปลายผมเราได้ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแต่เราก็ยังพ้นอยู่ได้เพราะความบังเอิญ คือเพราะบังเอิญได้ทํากรรมดีไม่มากพอเป็นกําลังพาให้หลบหลีกพ้นมือมารไปได้มีความสวัสดีอยู่ช่วครั้งชั่วงคราวแต่ใช่ว่ามือมารนั้นจะหยุดตามตะครุบเราก็หาไม่กี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่พบกี่ชาติมือมารจะติดตามตะครุบเราอย่างไม่ท้อแท้เหน็ดเหนื่อยคว้าผิดคว้าถูกก็จะตามคว้าไม่ลดละถ้าปรากฏเป็นภาพก็จะเป็นภาพที่น่ากลัวที่สุด